หน้าที่หนึ่งในฐานะเป็นมนุษย์ ต้องได้สิ่งสูงสุดก่อนเป็นผีตามที่คนควรจะได้อย่างไรดีไม่เสียทีที่เกิดมาประสาคนหน้าที่สองในฐานะเพื่อนมนุษย์ต้องช่วยกันสูงสุดหยุดช่อชนไม่ช่วงจริงประโยชน์ใครมาใส่ตน มุ่งเอาผลมีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหน้าที่สามตามฐานะพลละโลกต้องช่วยกันดับโศกแห่งโลกหายทำโลกนี้ให้หน้าอยู่ดูสบายมีความหมายโลกมนุษย์สุดงามงด หน้าที่คนคนหนึ่งมีถึงสามพยายามทำให้เข้มเต็มกำหนดให้เสร็จสิ้นก่อนตายให้เรืองยศได้ปรากฏเป็นมนุษย์ยอดสุดเอ่ยท่านพุทธทาสพิขุ ได้ฟังบทธรรมคํากลอนของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วทำให้เราเกิดการสรุปไว้ในชีวิตของเรา่าสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการทำหน้าที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องทำหน้าที่ทุกคนต้องมีหน้าที่มันยางเป็นการรับภาระนี่เอาไว้ เป็นหน้าที่กับตัวเราเองแล้วก็หน้าที่กับผู้อื่นหน้าที่กับตัวเราเองก็คือการมาดูแลตัวเราไม่ให้เป็นทุกข์ให้กายให้จิตของเราเนี่ยเป็นปกติแล้วก็หน้าที่กับคนอื่นก็คือช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขเมตตาสงสารเขาให้สังคมเนี่ยอยู่อย่างเป็นสุขสงบเย็นอันนี้คือหน้าที่ของมนุษย์เรา รับหน้าที่แล้วก็รับภาระตรงนี้ไปนะแต่ว่าคนทุกวันนี้นี่รับหน้าที่รับภาระยังไม่พอนะอยังต้องแบกภาระอีกทั้งภาระตัวเราแล้วก็ภาระผู้อื่นมีอาการหนักอึ้งทั้งกายทั้งจิตเลยมีสภาพที่เป็นทุกข์ทาหน้าที่แล้วทาไมต้องเป็นทุกข์ด้วยนี่แสดงว่าเรา ทำหน้าที่ไม่ถูกต้องนะหน้าที่กับตัวเราก็ไม่ถูกต้องเพราะทําให้เราเป็นทุกข์หน้าที่กับผู้อื่นก็ไม่ถูกต้องเพราะทําหน้าที่ของผู้อื่นแล้วเรายังเป็นทุกข์บางทีทําหน้าที่ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์ก็มีนะการเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําทางด้านจิตใจเป็นความเพียรทางจิตแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังทรงตัดสั้เพราะว่าเพียรทางจิต นิพพานก็เกิดขึ้นที่ใจจิตใจเป็นเพราะว่าเพียนทางจิตแม้ว่าเราอาจจะมีสติลงไปที่กายก่อนแล้วจึงไปเห็นจิตหรือบางท่านอาจจะมีสติรู้จิตก็ต้องสรุปลงที่การเพียนทางจิตทั้งนั้นเช่นการมีสติรู้ลงไปที่กายการรู้กายเคลื่อนไหวเป็นกุศโลบาย เพื่อให้มีสติเกิดขึ้นมากๆบ่อยๆโดยการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มารู้กายให้จิตมันเคยชินกับกายให้สติมันจำจำกายจำความรู้สึกตัวได้มันจะเกิดความเคยชินเพื่อให้สติมันตื่นการรู้กายเนี่ยมันกุศโลบายเพื่อให้ไปเห็นจิตใจกุศโลบายก็คืออุบายที่เป็นกุศล สามารทั้งหลายสรุปลงที่จิตใจมารู้ที่จิตใจ เ, เมื่อจิตสติรู้กายรู้จิตไปนานๆเนี่ยมันจะนําปัญญามานะสติจะนําปัญญามาใช้เห็นกายเห็นจิตเห็นเป็นรูปเป็นนามนะรู้รูปรู้นามเห็นธรรมชาติของชีวิตของเราเนี่ยมีสองอย่างคือส่วนของรูปและส่วนของนาม ส่วนของรูปก็คือกายที่เคลื่อนไหวที่มีอาการตึงๆไวๆเคลื่อนไหวไปมาเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็หยุดอันนี้เป็นเรื่องของกายเรื่องของรูปนี่ไม่รู้อะไรนะมีแต่เคลื่อนเคลื่อนไวๆ ไ, ไมายถึงว่าไม่รับรู้อะไรเนี่ยเป็นเรื่องของกายถูกจิตมันใช้เนี่ยคือส่วนของกายแล้วก็มีทุกข์ให้เราเห็นบ่อย เออส่วนเรื่องของนามนี่ก็คือนามนี่ทำหน้าที่รู้คือรู้รู้หลายๆอย่างรู้ตั้งตารู้ตั้งหูรู้ว่ากายเคลื่อนไหวและเป็นผู้ใช้กายเคลื่อนไหวด้วยไอ้ธรรมชาติของนามนามนี่ขยันรู้ถ้ามีรู้ก็ต้องมีนามตัวเดียวกันสติสัมปชัญญะเนี่ยจะทําหน้าที่แยกรูปแยกนามเห็นรูปทุก เห็นนามทุกรูปทุกก็คือความเจ็บป่วยของรูปของกายนี่แหละความหิวความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยกายเนี่ยเป็นทุกข์มากถ้าเราจะรู้ทุกเราก็มารู้กายเนี่ยมันชัดเจนมากเพราะกายแสดงทุกอยู่ตลอดเวลากายกับรูปนี่คืออันเดียวกันนะแต่ว่ารูปเป็นทุก เราต้องทำหน้าที่แก้ไขต้องทำหน้าที่กับกายนะร่างกายลนี่รูปขันเนี่ทิ้งไม่ได้ต้องทำหน้าที่ดูแลเขาแต่เราไม่ได้ดูแลกายตามธรรมดาเราดูแลกายแล้วเราเป็นทุกข์ด้วยผู้ดูแลคือนามธรรมเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยก็เรียกว่านามทุกข์เมื่อกายเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์โอ้จิตใจเนี่ยส่วนของนามธรรมเนี่ย ก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยเห็นไหมเนี่ยเราทํามาที่เราไม่ถูกต้องแหละรูปเป็นทุกข์ทำไมต้องนาเป็นทุกข์ด้วยจิตใจเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่ากิเลสเพราะตัณหาเพราะอุปาทานไม่อยากให้ร่างกายเนี่ยมันป่วยไม่อยากให้มันเจ็บเนไอยากให้มันหายไวๆมีความอยากมีความหวังอยู่แต่ถ้ามันไม่หายเจ็บหายป่วยแล้วก็ ก็จะเป็นทุกข์ผิดหวังเพราะเราขาดสติปัญญาไปยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้จะต้องให้ได้อย่างใจเรามีตัวมีตนอากายจิตจะเป็นตัวเป็นตนเลยมีตัณหามีอุปราคาทานจึงเป็นทุกข์นเช่อว่าเวลาร่างกายมันหิวใจก็โมโหใช่ไหมรูปมันหิวรูปเป็นทุกข์แต่นามเนี่ยคือจิตใจเนี่ย ถูกเกลียดครอบงำไปมโมโหเรียกโมโหหิวปเป็นพวกขาดสติขาดการเจอสติให้รู้เท่าทันกายรู้เต่าทันจิตเรือบางทีเรามีหน้าที่กับผู้อื่นเนมื่อกี้หน้าที่กับตัวเองนะหน้าที่ดูแลากายจิตให้เป็นปกติเป็นทุกเพราะว่าเราไปแบกภาระนิไว้การทําหน้าที่กับผู้อื่นก็เช่นเดียวกันเช่นเรา มีครอบครัวเนี่ยเรามีหน้าที่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกถึอว่ารับภาระรับหน้าที่นี้ไว้แต่บางทีเรารู้สึกว่ามันหนักอึ้งทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเจ้าตัวตันหาตัวอุปทานตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากนะอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเราก็อยากให้ สามีเราภรรยาเราลูกเราเนี่ยเป็นคนดีเขาต้องเชื่อฟังเรานะได้อย่างใจเราแต่เขาไม่ได้อย่างใจเราเนี่ยโอ้เป็นทุกข์เลยนี่คือตัณหานะแล้วก็อุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องได้อย่างใจหวังมีตัวมี ต, มตนในครอบครัวในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในงานที่เราทําช่ไหมมันก็เกิดความทุกข์นี่ยเพราะไปยึดมั่นถือมั่นเสแต่ว่าเราทําหน้าที่ไม่ถูกต้องก็เป็นการแบกภาระ ไม่ได้รับภาระธรรมดาแบกภาระทาน่จิตใจให้หนักอึง้งหรือเราอาจจะเป็นครูคนเป็นครูนี่ก็มีความหวังนะทําหน้าที่เป็นครูอย่างเดียวไม่เพียงพอหวังว่าลูกศิษย์เราจะต้องเชื่อฟังเราต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนเกง่งเรียนเกง่งตั้งความหวังเป็นตันหาซึ่งความอยากไว้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในความหวังนั้นจะต้องเป็นไปที่ใจเราหวังเนี่ยเป็นตัวเป็นตนละเมื่อไม่แดง ใ, ใจหวัง เราก็เป็นทุกข์แบกภาระหนักอึง้งทางด้านจิตใจหรือเราอาจจะเป็นหมอเป็นพยาบาลทรหน้าที่รักษาคนไข้ก็ต้องมีความอยากความหวังเป็นธรรมดาอยากก็หายป่วยหาไข้แต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความอยากนั้นด้วยจะต้องเป็นไปที่เราอยากจะต้องหายจริงๆไม่หายไม่ได้เนี่ยเป็นตัวเป็นตนล่ะใช่หม ความเป็นตัวเป็นตนเราต้อง บ, บรรคับบัญชาได้ถ้าบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนน ะ, ะแต่เมื่อคนไข้ไม่หายป่วยไม่หายใข้ไม่ได้ยังใจหวังเนี่ยโอ้เป็นทุกข์ละเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นในส่วนนี้ทําหน้าที่รับภาระเราก็ยังมีจิตใจที่หนักอึ้งเป็นเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถึงมาสิ่งนั้นต้องได้อย่างใจเราถือว่าเป็นตัวเป็นตนก็ได้ มีตัวเราไปทำหน้าที่ด้วยใครมาว่าเราทำหน้าที่ไม่ดีทำหน้าที่ไม่ถูกต้องโอ้เราเป็นทุกข์ละเพราะยึดมั่นถึงมั่นว่ามีตัวเราไปทำหน้าที่ถ้ามีตัวเรามาแล้วก็ต้องมีทุกข์ทันทีเพราะว่ามันไม่ได้อยงใจหวังหรอกถ้ามีตัวเราขึ้นมาการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเรานำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันกับการกระทา นหน้าที่ของเราเน่ยหน้าที่การงานเนี่ยนานวันเข้าเนี่ยสติมันจะเลิญขึ้นก็จะเกิดปัญญานะรู้ความจริงของสิ่งท่างยทั้งปวงทั้งตัวเราและก็นาทีแล้วก็ผู้อื่นพอรู้ความจริงแล้วเนี่ยอ๋อสิ่งท่างยทั้งปวงนี่มันไม่แน่นอนนะมันมีทุกบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราที่จะบังคับบัญชามันพอรู้ความจริงเนี่ยมันก็จะปล่อยวางจะไม่ยึดมัน่นถือมั่นทําแต่หน้าที่ แต่ว่าไม่หวังในผลของหน้าที่ที่เราจะต้องได้รับคือรู้ทันทำหน้าที่และรู้จักปล่อยวางการเจริญสติมันช่วยตรงนี้ได้ช่วยให้วางภาระเหลือแต่หน้าที่จิตใจก็จะไม่หนักอึ้งจะไม่ทุกข์จะไม่เครียดจะเบาสบายเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเรื่องหน้าที่ทุกคนต้องมีหน้าที่ต้องทหน้าที่ในอย่างปัจจุบันนี้ก็มีเด็ก เขากวาดชมลมกวาดพื้นอันนี้เป็นหน้าที่ของเขากวาดพื้นให้สะอาดเนี่ยคือหน้าที่แต่ถ้าเขาหวังว่าเมื่อไหร่มันจะสะอาดสดักทีทำไมต้องกวาดทุกวันมันน่าเบื่อนหน่ายใช่ไหมทาหน้าที่ด้วยจิตใจที่มีความหวังเป็นตัวเป็นตนมีตัวเราเป็นผู้ที่เข้าไปทําหน้าที่แต่ถ้ากวาดไปโดยหน้าที่กวาดให้มันสะอาดกวาดไปเรื่อยๆเนี่ย จิตใจก็จะเบาสบายนะ เ, นยเรียกว่าทํางานด้วยจิตว่างที่ทราอาจารย์พุทธธาตได้กล่าวไว้ทํางานทุกชีิตด้วยจิตว่างใจจะไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกชีวิตที่เกิดมาเนี่ยต้องมีหน้าที่ต้องทําหน้าที่ต้องรับหน้าที่รับภาระตัวเราเองรับหน้าที่รับภาระกับสังคมกับผู้อื่นต้องมีหน้าที่ทุกคนแต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะว่า เราไปยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการทำหน้าที่แล้วขาดสติขาดการเจริญสติเกิดการแบกภาระแบกหน้าที่จนเป็นทุกข์แต่ต่อมาเราเริ่มฉลาดทำหน้าที่ด้วยสติปัญญาถ้าทำหน้าที่ด้วยสติปัญญาแล้วเนี่ยจะมีแต่การวางภาระนะและจิตใจก็จะเบาสบาย หมดภาระไปเลยทำหน้าที่แล้วก็ใช้สติก็จะมีแต่วางภาระและจิตใจเบาสบายก็สรุปเป็นสูตรสาเร็จว่าถ้าเราจะทำหน้าที่แบบไม่เป็นทุกข์ล้วก็ต้องทำหน้าที่แบบไม่ต้องหวังแล้วก็ไม่ต้องเป็นอะไรด้วย